สิ่งนะที่มักจะเป็นตัวผลักดันขับเคลื่อนชีวิตของคนเรารวมทั้งความเป็นไปนะของโลกภายนอกหรือโลกรอบตัวนี่นั่นคือโลกโกรธหลงนะซึ่งมันก็พาผู้คนเนี่ยไปประสบกับความทุกข์หรือการสร้างความทุกข์ให้กต่กันและกันโดยวนเวียนอยู่กับเรื่อง เสื่อมลาบเสื่อมยศทีแรกก็ได้ลาบก่อนนะแล้วก็เสื่อมลาบได้ยศแล้วก็เสื่อมยศสารเสรื่อแล้วก็ดินทาสศกและทุกข์ที่เราเรียกว่าโลกธรรมแปดมันก็คือสิ่งที่นําพาผู้คนไปนะเจอความทุกข์แล้วก็เกี่ยวข้องกันไปในทางที่ผิดพลาด นะสร้างความทุกให้กับกันและกันอันนี้คือสิ่งที่เรานะสามารถจะเรียนรู้ได้นะจากหนังสือธรรมะหรือจากพระไตรปิฎกนะที่ท่านได้พรรณนาถึงกิเลสนะตัณหาที่นำพาผู้คนไปสู่การแข่งแย่งแข่งดีขับเคี่ยวกัน ที่จริงเนี่ยความจริงที่ผลักดันผู้คนให้หมุนเวียนเกี่ยวข้องกันไปในทางที่ก่อความทุกข์เนี่ยนอกจากหนังสือธรรมะหรือว่าพระคำพีหรือพระไตรปิฎกอย่างเรื่องราณในชาดกแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถจะเรียนรู้ได้นะจากนิยาย นิยาย่ที่จําลองความเป็นไปของผู้คนซึ่งมีมากหน้าหลายตานอกจากเราจะเห็นนะกิเลสของผู้คนที่นำพามนุษย์เรามาขับเคี่ยวกันแล้วนี่บางทีเราก็ได้เห็น สัาจะทำความจริงของชีวิตได้อยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่านะหรืออยู่ที่ว่าเราจะเห็นแต่ความสนุกสนานหรือว่าเก็บเกี่ยวแต่ในสิ่งที่มันเป็นด้านลบด้านร้ายของมนุษย์อย่างสามก๊กนี่นะนะเป็นว่าเป็นนิยายที่มันจาลองนะ นิสัยหรือธรรมชาติหรือบางทีเรื่สันดานของมนุษย์ซึ่งไม่ว่าจะผ่านมากี่พันปีนะก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเวลาเราอ่านนะสามกงนี้เราจะเห็นเลย น, นะเรื่องของการชิงไหวชิงพริบการต่อสู้ขับเคี่ยวเพื่อมีอำนาจเพื่อสนอง กิเลสตัณหาถูกขับเคลื่อนด้วยโลภโกรธหลงแล้วก็มีแง่มุมนะบางแง่มุมนะที่มันให้ข้อคิดเตือนใจเราได้ดีนะอย่างเช่นเนี่ยอุบายที่ต่างฝ่ายนะต่างใช้เพื่อทำลายคู่ต่อสู้เนี่ยมื่อมันเราได้เห็นเล้นะเขาใช้อุบายต่างๆอย่างไรบ้าง วิธีหนึ่งก็คือการใส่ร้ายหรือปล่อยข่าวลือต้องการกำจัดฝ่ายตรงข้ามนะาก็มีการปล่อยข่าวใส่ร้ายว่าเนี่ยคนเนี่ยเป็นคนทรยศฝักฝ่ฝ่ายตรงข้าม หรือเป็นสายของศัตรูหรือว่ากาลังคิดการใหญ่นะก่อการกาเริบจะ ก, ก่อกระบทคนที่หลงเชื่อนะข่าวพวกนี้เนี่ยเขาก็จะหาทางกาจัดซึ่งก็มันกลายเป็นการเข้าทางของฝ่ายตรงข้ามนะอันที่เขาเรียกว่ายืมมือฝ่ายตรงข้ามมากําจัดศัตรูใช้บ่อยเลยนะมีวิธีการ ปล่อยข่าวลือกระซิบเป่าหูใช้อุบายต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่ายุยแยงเสี่ยมให้เกิดความระแวงถึงขั้นนะทำร้ายกันประหัตประหารกันวิธีนี้มันก็ทำกันมานานนะแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ในทุกวันนี้อีกวิธีหนึ่งนะที่น่าสนใจแทนที่จะใช้วิธี หลอกลวงอำพรางตัวเองในการปล่อยข่าวลือหรือใส่ร้ายากับแสดงตัวเปิดเผยเลยนะแสดงตัวเปิดเผยนะด้วยการเขียนจดหมายเนี่ยนะด่าหรือเยาะเยะ้ยวิธีนี้คงเป้งใช้หลายครั้งนะแล้วก็ได้ผลด้วยอย่างตอนที่กกเล่าปีเนี่ยกับกกศุนกวนในร่วมมือกันเพื่อที่จะ สู้กับโจโฉเนี่ยซึ่งส่งกองทัพกำลังพลนับแสนนี่มาล้อมเมืองกงังตังเนี่ยไอ้คงเบ้งกับจิวยี่นะจิวยี่นี่ก็เป็นอยู่ในอยู่ในเป็นคนของกกศุนกวนเนี่ยก็ร่วมมือกนะันในการเผากองทัพเรือของโจโฉจนกระทั่งพินาฏววยวอดนะในศึกที่เราศึกเซ็กเพ็กเนี่ยแต่พอกำจัดทัพโจโฉได้นะ จิวยี่นี่ก็คิดจะหาทางนะกำจัดเล่าปี่และคณะแต่ไม่สำเร็จนะงเบ้งรู้ทันขงเบ้งก็พาเล่าปี่หนีกลับไปตั้งหลักพอปลอดภัยแล้วเนี่ยงเบ้งนี่ก็เขียนจดหมายนะมาถึงจิวยี่เดิมแรกก็ ลอเรียนก่อนหรือเยอะเย้ยนะเยอะเยะ้ยวะเนี่ยขอบคุณนะที่ท่านได้ส่งทหารกองสังหารเนี่ยมาพิทักพวกข้าพเจ้านะแต่บังเอิญนะพวกข้าพเจ้าเนี่ยนะกลับเมืองก่อนกระทันหันก็เลยไม่ได้รบกวนนะทหารสังหารเนี่ยของท่านนะ ข้าพเจ้านี่ขอบคุณท่านมากนะที่มาส่งทหารมาช่วยพิทักษ์ก็อยากจะตอบแทนคุณของท่านนะว่าตอนนี้โจโฉเนี่ ย, ยกำลังจะญาตราทฏพเนี่ยไปยึดบ้านเกิดไปตีบ้านเกิดของท่านเพราะาหมายตาคนรักของท่านนะโจโฉนี่เตรียมจะเฉยชมคนรักของท่านแล้วเพราะเขาเป็นคนมากมากในกาม ขอยท่านเตรียมตัวได้เลยนะพอเขียนเท่านี้นะจิวยีย่เนี่ยโกรธแค้นมากนะบอกว่ากระอักเลือดเลยแล้วก็ล้มป่วยแล้วไม่นานก็ตายนะสมความปรารถนาของเบงตอนหลังเนี่ยคงเบงก็ใช้วิธีนี้ออกนะนะกับแม่ทัพ ของโจโฉเนี่ยชื่อององหลงก็ององหลงนี่ก็พ่ายแพ้นะพา่ายแพ้ทัพองเบ่งแต่ผงเบ้งเนี่ยไม่พอใจเท่านั้นนะเขียนจดหมายเนี่ยไปเยาะเย้ยออ ง, ลองหลงบอว่าเนี่ยท่านไม่น่าจะเดือดร้อนเลยนะในการทำศึกสงครามเพราะท่านอายุมากแล้วอายุ76นะควรจะนี่ควรเป็นเวลาพักผ่อนของท่าน ไม่ควรจะออกมารยกทัพจับศึกเลยนะทหารเก่าจวนตายอย่างท่านเนี่ยควรจะพักผ่อนมากกว่าเพราะว่ากำลังวังชาวความสามารถของท่านเนี่ยมันแทบไม่เหลือแล้วแต่ท่านก็ไม่เจียมนะสังขารอย่างพากองทัพมาสู้รบกับข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าและพวกท่านเนี่ยหาได้เจียมตัวไม่ว่า มารับใชนะ้คนที่เป็นอธรรมนะคือโจโฉตัวท่านเองก็ใช่ย่อยนะเป็นคนที่ตีสองหน้าเป็นคนทรยศในละคุณต่อผู้มีพระคุณพระเจ้าเฮียนเต้นเนี่ยชุบเลี้ยงท่านมาแต่แทนที่ท่านจะมีความสำนึกในบุญคุณของพระเจ้าเฮียนเต้นเนี่ยกับฝกโโักใฝ่โจโฉโจโฉนี่ก็ ยึดอำนาจมาจากพระเจ้าเฮียนเต้โดยที่ท่านก็ให้ความร่วมมือนับว่าท่านเป็นคนเนรคุณมากแล้วท่านนีงก็ใกล้าตายแล้วเนี่ยอีกไม่นานก็ท่านก็ต้องไปประโลกแล้วแล้วท่านจะมองหน้าบรรพชนของท่านได้อย่างไรในเมื่อท่านเป็นคนอากตันยูเป็นคนที่ไม่มีธรรมรับใช้ผู้ที่ เป็นคนเร็วร้ายมารดาของท่านถากว่ารู้ว่าท่านเป็นผู้ประพฤติชั่วเร็วสารแบบนี้ก็คงจะบีบคอท่านตั้งแต่ท่านยังเป็นทาลกแล้วไม่ปล่อยให้ท่านเกิดมาแล้วก็ทำอาการกําเริบเสบสารแบบนี้ท่านจะไปเจอหน้ามารดาของท่านได้อย่างไรยังมีหน้าจะไปเจอมารดาศพตา ม, มารดาของท่านได้หรือในปัลโล มีทางเดียวเท่า น, นั้นแหละคือท่านควรจะเกิดไปเป็นสุนักมากกว่าเอาลองได้อ่านจดหมายนันก็โกรธมากเลยนะหัวใจวายตายคาที่เลยสำเร็จประโยชน์นะของคงเบ้งต่อมาเนี่ยคงเบ้งก็ทำงี้อีกนะกับแม่ทับโจจินเนี่ยของก๊กโจโฉเนี่ยโจจินเนี่ยพ่ายแพ้นะทับคงเบ้งนะทั้งที่มีกำลังพลเนี่ยเป็นแสนนะ แต่ว่าเจอกองทัพจำนวนหยิบมือเนี่ยของคงเบ้งเนี่ยซึ่งได้ใช้สติปัญญาใช้ความสามารถทำให้น้ำท่วมทัพของโจจินเนี่ยเสียหายไปเยอะนะคนตายไปมากโจจินล้มป่วยเลยนะแต่ว่าคงเบ้งไม่พอใจเท่านั้นนะเขียนจดหมายบางสํานวนก็ว่าไปอ่าไปด่าต่อหน้าเลยในหลวงที่ประจันหน้ากัน บอกน่ท่านป่วยเนี่ยนะท่านสมเนี่ยไม่ใช่เพราะพิไข่หรอกนะแต่เพราะท่านกลัวว่าเนี่ยท่านจะรอดจากการถูกตัดหัวได้อย่างไรในเมื่อพาผู้คนนับแสนมาล้มตายแบบนี้ท่านเองเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาเลยนะสติปัญญาหนาทึบไม่รู้การสึกสงครามาำรับพิชัยสงครามก็ไม่ได้เจนจัด แต่ที่ขึ้นมาเป็นแม่ทัพได้นี่ก็เพราะซื้อตําแหน่งแล้คนที่เขาเป็นแม่ทัพเนี่ยเขาต้องรู้นะอย่างรู้ฟ้าดินรู้ถนทางทางน้ําทางทางลมซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของพิชายสงครามแต่ท่านถามีความรู้ไม่จึงพาทหารล้มตายไปจํานวนมากทหารเหล่านี้นก็กลด่าท่านแต่ท่านจะได้ยินได้อย่างไรนะเพราะว่า สมองในศี่สางท่านเนี่ยมันมีเพียงแค่น้อยนิดท่านจะรับรู้ถึงความทุกข์ของผู้คนได้อย่างไรท่านเองไม่มีความสามารถเลยในการศึกสงครามนะปัญญาหนาทึบแม้ใครสอนก็ไม่ฟังแม้ใครแนะนําก็ไม่เชื่อท่านทำการศึกสงครามพ่แพ้ ย, ยับเยินแบบนี้ท่านนึกหรือไม่ว่า ประวศาสรจะลึกชื่นจะลึกชื่อท่านว่าอย่างไรและถ้าหากว่าท่านไปปรโลกเมื่อไหรเนี่ยท่านคงไม่มีความสุขหรอกนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็จะไปที่หลุมศพท่านแล้วก็ถมน้ำลายใส่หลุมศพท่านเนี่ยไม่ต่างจากน้ำที่ท่วมทัพทหารของท่านโจอจินอ่านจบนะหัวใจวายเลยเพราะแค้นมากนะ ถูกเย็ดยามแล้วก็ถูกด่าวิจะวัยตายคาที่เลยต่อมาเนี่ยนะคงเบ้งเนี่ยทำสึกสงครามกับซูมาอีนะยกทัพไปแต่ซูมาอี้นะอเนี่ยไม่ยอมออกสู้รบด้วยนะปิดประตูเมืองคงเบ้งท้า ย, ยังไงก็ไม่ยอมออกมาทำยังไงใช้วิธีเดิมเขียนจดหมาย ถึงสุมาอี้นะซึ่งเป็น อ, อยู่ในก๊กของโจโฉเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ตายไปแล้วบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยขอส่งชุดเสื้อผ้าสตรีมาให้ท่านหวังว่าชุดนี้เนี่ยจะเหมาะกับตัวท่านธรรมดาชายชาติทหารเนี่ยเมื่อมีศึกมาประชิดเมืองก็ย่อมออกไปต่อสู้เมื่อมี มาท้าทายนะก็ย่อมไม่นิ่งเฉยแต่การที่ท่านนิ่งเฉยเนี่ยไม่ออกมาสู้รบนะน่าเสียศักดิ์ศรีมากสมควรที่จะสวมชุดสตรีนี้เพราะอากับกริยายงท่านเนี่ยมันไม่ต่างจากผู้หญิงนะที่กลัวแดดกลัวฝนกลัวความทุกข์ยากรักสวยรักงาม หวังว่าชุดสตรีนี่ท่านคงจะชอบบอกว่าสุมาหมาีอ่านนะหัวเราะนะหัวเราะไม่มีความโกรธแค้นเลยแล้วก็เขียนจดหมายตอบกลับไปเราขอบคุณคงบิ่งนะแล้วก็หวังว่าท่านจะมีสุขภาพแข็งแรง เพรว่าแพงคงเบ้งเนี่ยไม่สําเร็จพระสุมาอี้เนี่ยไม่หลงกลไม่โกรธกับหัวเราและสุดท้ายเนี่ยคงเบ้งก็ต้องอเป็นฝ่ายปราชัยไปเองนะเพราะว่าศึกนั้นเนี่ยคงเบ้งในสุดก็ตายแต่งดีนะที่กองทัพนี้ก็ยังพอที่จะเอาตัวรอดมาได้ ส่วนหมายสี่ฉบับนีของคงของค ง, ง, งบ่งนะสามฉบับได้ผลนะไม่ว่าจิวี้หรือว่าองลองรวดโจจินเนี่ยอ่านแล้วนี่โกโรธนะคนหนึ่งกรากเลือดตายอีกสองคนนี่หัวใจวายแต่ทำอย่างนั้นกับสุมาอี้ไม่ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะสุมาอี้ฉล า, าดนะไม่หลงกลศัตรู แล้วก็จะว่าไปก็ไม่ถือสาด้วยนะไม่ถือสาสิ่งที่คงเบ้งเนี่ยนะทำก็คือกระตุ้นให้โกรธนะเพราะรู้ว่าความโกรธเนี่ยมันจะกลับมาทําร้ายเจ้าของแต่ที่จริงนะทั้งสามคนนี้ก็น่าจะรู้นะว่าเนี่ยอุบายของคงเบ้งเนี่ยก็คือมายั่วให้โกรธโดยพยายามจับจุดที่เป็นจุดอ่อนหรือเป็นจุดที่ เจ้าตัวนี้ยึดมั่นถือมั่นนะเย่าเช่นจิ๋วยี่เนี่ยก็คือตัวเองฉลาดพอมีคนรู้ทันก็จิของเบี้ยก็ต้องการเชื่ว่เนี่ยฉันรู้ทันแกนะแล้วอย่างจิ๋วยี่นี่ก็ไปยึดติดนะไปหลงรักในหญิงสาวเนี่ยพอมีใครมาแตะหญิงสาวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะที่โจโฉเนี่ยจะเข้าไปหมายเชยชมนะคนรักของตัวเนี่ยพอได้นแ้วก็โกรธนะ ก็เรียกว่าไปแตะจุดอ่อนหรือว่าสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญขณะที่ององร้อเนี่ยก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะแต่ด้านถูกด่าว่าอักตันยนะูไม่รู้จักบุญคุณของคนไปครอบคลุชั่วและจะไปดูหน้าแผ่นบชนได้ยังไงคนที่ถือเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังโกรธนะ ส่วนโจจินเนี่ยถือว่าตัวนี้เป็นคนที่มีปัญญานะแต่ดันกลับมาหาว่าตัวนี้มีสมองทึบปัญญาซามเนี่ยมโกรธมากลืมตัวนะลืมไปว่าเนี่ยขงเบงเนี่ยเขาเขียนจดหมายมาเพื่ออะไรที่จริงถ้าฉลาดหน่อยนะอย่างสุมาอี้นี่ก็จะรู้ว่าเอ้ยนี่มันแค่อุบายแต่ว่าสามคนเนี่ยนะ พอถูกจี้จุดอ่อนเนี่ยโกรธขึ้นมานทันทีและความโกรธเนี่ยมันทำร้ายใครนะมันทำร้ายตัวเองที่จริงคนที่ฉลาดแล้วก็มีสตินะก็ย่อมรู้นะว่าผงเป้งทำอย่างนี้เนี่ยนะก็เพื่ อ, อยุให้โกรธก็เมื่อรู้ว่าศัตรูต้องการแบบนี้จะไปโกรธสมใจเขาทำไมแต่ธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้นะ พอมีความยึดมั่นถือมั่นในอะบางอย่างแล้วพอมีคนมามากระทบตรงนั้นเนี่ยมันก็โกรธและเรื่องนี้มันก็ชี้เห็นนะว่าเนี่ยความโกรธเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำร้ายใครเนี่ยมันทำร้ายตัวเองอันนี้ก็ได้เป็นข้อเตือนใจนะว่าคนเราเนี่ยเวลาใครที่เขาไม่หวังดีกับเราหรือว่าคขามุ่งร้ายเราเนี่ย เขามาดาเราเนี่ยก็ไม่สมควรที่เราจะเข้าทางเขาเพราะเขาต้องการให้เราโกรธอยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องไปเข้าทางเขาในเมื่อเขาเป็นศัตรูเขาไม่ได้มุ่งมุ่งมุ่งหวังหรือปรารถนาดีกับเราแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอเปศัตรูมาว่าโกรธเลยนะแล้วก็เข้าทางเขาศัตรูเขาต้องการที่จะให้เราเนี่ยทุกข์ให้เรารุ่มร้อน หรือบางทีก็หัวใจวายตายเนี่ยก็ก็ไปสนองความต้องการของเขาทำให้เขาได้สมอยากเอาคนที่มีสติคนที่มีปัญญาเนี่ยนะก็จะไม่หลงกลก็จะไม่ยอมปล่อยใจให้เข้าทางฝ่ายตรงข้ามนยอย่างสุมาอี้เนี่ยหัวเลาะเลยนะส่วนหนึ่งเพราะสุมาอี้เนี่ยไม่ใช่แค่รู้ทันอย่างเดียวนะ แต่ว่าไม่ถือสาพอไม่ถือสาเขานะมันก็ไม่ไม่โกรธจะมาจี้จุดยังไงฉันก็เฉยเพราะรู้ว่าเนี่ยแกต้องการให้ฉันโกรธนะแล้วฉันจะโกรธสมใจแกทําไมในเมื่อแกเป็นผู้ที่ปรารถนาไม่เป็นผู้ที่มุ่งรายกับฉันจริงๆนะคนเราเนี่ยถ้าออว่า เห็นท่วงของความโกรธนะเราจะไม่ปล่อยใจให้ให้จมไปแหนมนความโกรธเนวสันเบนเด ล, ล่านี่พูดดีนะเขาบอกว่าความโกรธหรือความขับแค้นเนี่ยมันคื อ, อยาพิษที่เรากินด้วยหวังจะให้คนอื่นตาย <c oughs> ความโกรธคื อ, อยาพิษที่เรากินเนี่ยเพื่อหวังให้คนอื่นตาย เวลาเราโกรธเนี่ยเราก็มุ่งร้ายเราแช่งชักหักกระดูกอีกฝ่ายหนึ่งขอให้มึงตายขอให้มึงตกนรกแต่คนที่ตกนรกคนแรกคือใครก็คือเรานะถ้าเราโกรธเรากินยาพิษเพื่อให้คนอื่นตายเนี่ยมันมันแสดงความความโง่นะแต่คนเราพอพอโกรธแล้วเนี่ยมันก็ขาดปัญญาแล้วจิ๋วยี่ซึ่งเป็นคนที่ฉลาดมากนี่ก็ ก็อากเลือดตายเพราะแผนตื่นตือนของคงเบ้งอันนี้เพราะว่าความไม่ความขาดสติหรือไม่ได้เข้าใจนะถึงธรรมชาติของอคนที่เป็นศัตรูที่มุ่งร้ายจริงๆถ้าไม่สนใจนะถ้อยคำของคงเบ่งเนี่ยอย่างที่สุมาอีททำเนี่ย จิวีคงจะมีอายุยืนนะเช่นเดียวกับโจจิตและอองลองเนี่ยแต่พอไปสนใจอันนี้แหละคือเหตุแห่งความทุกข์แห่งแห่งความโกรธหลวงพ่อชา้างอานเคยพูดกับลูกศิษย์นะเนี่ยถ้ามีคนมาว่าเราว่าเป็นหมาเนี่ยท่านจะว่าอย่างไรรูกสิษย์คนนึงบอกว่าเนี่ยเราอยู่ดีๆมาว่าเราเป็นหมา ก็ต้องโกรธสิครับหลวงพ่อชา้าก็เลยบอกว่างั้นก็แสดงว่าท่านเป็นหมาสิอันนี้หลวงพ่อชา้าท่านบอกว่ า, ท, าท่านกำลังจะสอนว่านะอย่าไปอย่าไปสนใจนะคําด่าว่าของเขาถ้าเราเขาหาว่าเราเป็นหมาแล้วเราไปสนใจเราก็เป็นหมาอาจารย์พุทธทาสท่านพูดแรงกันเลยท่านบอกว่าเนี่ยหมาเหา่าอย่าเห่าตอบนะ พอถ้าเาตอมันจะมีหมาเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งมันจะมีไม่ได้มีหมาแค่ตัวเดียวนะมีหมาสองตัวเรื่องนี้พร์เจ้าท่านพระองค์ก็ทำเป็นให้ข้อคิดเตือนใจได้ดีนะมีพรามคนหนึ่งมาตามด่าท่านพระองค์เนี่ยเดินกลับเชตวันก็เดินตามมาดา่าพระองค์ก็ไม่ตอบโต้จนกระทั่งถึงเชตวันละนะพระองค์ก็เลยนั่งสนทนาขเขา ว่าเนี่ยเคยมีคนมาบ้านท่านไหมมาหาท่านที่บ้านไหมพราหมณ์คนนั้นก็บอกว่ามีเสด็จข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นคนขาดเพื่อนไม่ใช่เป็นคนซีไลน์ไม่ตอกมีคนมาหาข้าพเจ้าที่บ้านอยู่เนืองเนืองและท่านทําอย่างไรนะข้าพเจ้าก็เอาของมาต้อนรับพระุทเจ้าก็เลยถามว่าถ้าเขาไม่รับของของท่านเนี่ยของนั่นจะเป็นของใครนะ พรามก็บอกก็เป็นของข้าพเจ้าน่ะสิพระเจ้าเลยตอบว่าเนี่ยท่านด่าเรานะแต่เราไม่ด่าต่อคำด่าทั้งหมดของท่านก็กลายเป็นของท่านาท่านด่าท่านแต่เราไม่รับคำด่าของท่านคำด่าทั้งหมดก็เป็นของท่านน่ะสิพรามนี่อึ้งเลยนะ พูดงายคือว่าคำด่าเนี่ยมันจะมีผลก็ต่เมื่อเรารับเรารับถ้าเราไม่รับเนี่ยหรือไม่ใส่ใจเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายไม่มีพิษสงเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่เชื่อในความแตกต่างรองซุมาอี้กับคนอื่นนะซุมาอี้เนี่ย ถ, ถูกคงเบ้งด่ายังไงซุมาอี้ไม่รับไม่สนใจหัวเราะเลย ไม่เอามาเป็นอารมณ์นะแต่คนอื่นนี่โอ้โหเอาจริงเอาจังมากเขาด่าว่าเป็นหมาก็ไปรับสมอ้างว่าเออฉันเป็นหมาจริงๆก็เลยกระหากเลือดตายหรือแม่ก็หัวใจวายตายอันนี้ก็เป็นเป็นบทเรียนสอนใจนะที่บางทีมันมีพลังยิ่งกว่านักสือทธรรมะนะ เพราะว่ามันเป็นภาพที่จำลองมาจากธรรมชาติของมนุษย์นะเฉะนั้นถ้าเราถ้าเราเจอคำด่าเนี่ยโดยเพราะจาจคนที่มุ่งร้ายเนี่ยนะให้เรานึกถึงสุมาเอียเอาไว้อย่าทําตัวเป็นจิวยี้หรืออองลองหรือว่าโจจินนะเพราะถ้าทำงั้นเนี่ยเราก็โง่าท่านั้นเองเพราะเราไปเข้าทางเขา